คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องเป็นสาวกของใครคนใดคนหนึ่งจนได้แหละถ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือคนอื่นอย่างน้อยที่สุดนับถือใครรู้ไหมนับถือตัวเองถ้าเราจะนับถือเราเนี่ยเอาใจตัวไหนมันน่านับถือบ้างเอ้าตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะแหมนับถือตัวเองจริงๆเลยนะนับถืออะไรเอานับถือรูปนับถือผมขนเล็บฟันหนังเอาตรงไหนนับถือใจเอาใจดวงไหนเออ วันหนึ่งมันคิดกี่พันเรื่องอ่ะเอาใจดวงไหนหน่านับถือที่สุดเอ๊ะมันถ้านับถือตัวเองถ้ามันไปรอดจริงหรือเพราะแล้วท่านถามว่าถ้านับถือพระพุทธเจ้าไปรอดไหมแล้วก็แยกแยะความดีความเด่นความด้อยดีเสียสูงต่ําต่างกันอย่างไรนับถือตัวเองกับ น, นับถือพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อใจพระพุทธเจ้าก็เชื่อใจเราอันไหนดีกว่ากันเชื่อใจคนอื่นกับเชื่อใจพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากัน เชื่อคําของตัวเองกับเชื่อคําคนอื่นหรือเชื่อคําของพระพุทธเจ้าถ้าจะพึ่งขอพึ่งใครก็ขอพึ่งพระรัตนตรยัยถ้าพึ่งพระรัตนตรัยไม่สําเร็จออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักการวิชาการในโลกนี้เป็นไปเพื่อผูกพันอยู่ในขันห้า น, นะไม่ได้ล ะ, ะไม่ได้สอนเพื่อให้เจริญนิยานิกรรมนําออกจากขันห้าหรือเรียกว่าวัตรทุกข์เลย โดยมากไม่ได้สั่งสอนเพื่อนำออกจากวัตถุทุกเลยเพราะถ้าหากว่าเราทอดทิง้งไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ระลึกถึงพระธรรมไม่ระลึกถึงพระสงฆ์เราก็เท่ากับทอดทิง้งความพ้นทุกข์ทอดทิง้งความสุขละเลยต่อความสุขแล้วเราจะประสบความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐแท้จริงเพราะเราจะระลึกถึงพระองค์ให้บ่อยๆได้ อย่างไรระลึกได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราถึงความพ้นทุกได้เท่านั้นมันบทสวดมนต์สรรเสริญ น, นะคำทำวัดเช้าคำทมวัดเย็นถ้อยคำทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทยังไงคนที่ขยันคาว่าขยันสวดเนี่ยนะคำว่าสวดนี่ก็เป็นวจีกรรมอ่ะนะ ก็เป็นวจีกรรมเนี่ยซึ่งการสวดเหล่านั้นถ้าเป็นการสวดที่ประกอบไปด้วยปัญญาทุกคำที่พูดเป็นคำที่ได้บุญมหาศาลถ้าเราเราคิดว่าคำที่เราพูดนี่มีราคาหรือไม่มีราคาความคิดของเรามีราคาหรือไม่มีราคาชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าหรือไม่มีค่าความคิดของเราเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ เร e, าก็มาคิดดูเออเนี่ยถ้าความคิดของเรามันมีราคาและเราควรคิดถึงอะไรคาพูดของเราที่เราคิดว่ามันพอจะมีค่าบ้างเราควรจะพูดอะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ายังพอมีประโยชน์บ้างเราควรทำเพื่อใครทำไปทาไมฉันใดก็ดีความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราคําที่เราพูดมันมีค่ามากสำหรับเราชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่า ทำไมเราไม่ไปทําในเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เช่นเอาความคิดไปโคจรไปในเรื่องของพระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าการพูดถึงกุลของพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสสมัยใหม่ใช้คาว่าสวดมนต์นั่นคือการสวดมนต์ก็คือการพูดถึงพระคุณตามเป็นจริงของพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นมี พระคุณอย่างไรในรัตนตย ป, ปณะมะ า, าคาถาเรียกว่าการนอบน้อมพระตัตนะตรยัยเนี่ยนะกล่าวถึงว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆคือพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กายวาจาและใจถ้ามองแบบธรรมดาทั่วๆไปง่ายๆเลยก็คือเป็นผู้ที่กายมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวจีของพระองค์คําที่พระองค์พูดนี่บริสุทธิ์เช่นกับทองคําบริสุทธิ์ที่หลอมมาเป็นอย่างดี นี้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์บารมีที่พระองค์ได้มาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์ปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์พระองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลบริส <ÜNDNIS. S 1> <sk> ุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิบริสุทธิ์ด้วยการข้ามความสงสัยบริสุทธิ์ด้วยแยกแยะว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางบริสุทธิ์ด้วยข้อปฏิบัติและบริสุทธิ์ด้วยการ ตรัสรา้พระองค์ que, ông, เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะพระองค์ปฏิบัติอยู่ในวิสุทธ mm. ิ sao. ทั้งหลายศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิอนะกังข์ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิและสุดท้ายยาณทัทสนวิสุทธิหลังจากนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง แต่บางทีคนสะอาดโดยมากก็เรียกว่าเอาดีเก็บไว้เฉพาะตัวแต่พระองค์นี่มีมหากรุณาดุจห่วงมหันบคือกรุณาของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาลประดุจทะเลมหันบมหันบหมายเน้นที่ทะเลเนี่ยนะกว้างขวางเกิงๆอ่ะ น, นะทะเลในด้านกว้างนะฉันใดกรุณาของพระองค์ก็กว้างขวางฉันนั้น เพราะพระองค์มีใจเดียวก็คือสิ่งคุณธรรมของพระองค์เนี่ยตั้งแต่สร้างบา ร, รมีก็ตามหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามอยู่ด้วยกรุณาเป็นหลักเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆทำไม่ได้หรอกเพราะมีใจที่หวังเปลื้องช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกเนี่ยนะ ทุกเหล่าใดที่สัตว์ควรพ้นคือเห็นเลยเห็นความทุกข์ของสัตว์เนี่ยมากว่าเขาเนีทุกอย่างไรทุกกายอย่างไรทุกใจอย่างไรทุกในปัจจุบันอย่างไรทุกที่เคยมีมาในอดีตของเขาเป็นอย่างไรทุกของเขาที่กําลังจะมีต่อต่อไปในอนาคตอย่างไรพระองค์มุ่งเปลืองทุกในปัจจุบันและ ต, ต่อต่อไปสําหรับเขาพัะกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนให้พระองค์เนี่ยถ้าพูดถึงเวลานอนของพระองค์ก็นอนน้อยนอนแค่ สองชั่วโมงอย่างมากต่อวันนะต่อวันนอนน้อยมากสองชั่วโมงอาจจะไม่ถึงด้วยซ้าไปนะอาจจะน้อยกว่านั้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งโดยมากถามว่าตื่นตลอดและตื่นทำอะไรอยู่ตื่นด้วยก ร, รุณาว่าตรงไหนที่จะช่วยคนอื่นได้มากช่วยเขาได้เพราะยืนพระองค์ก็ยืนช่วยเขาได้เพราะนั่งพระองค์ก็นั่งช่วยเขาได้เ scared, พราะเดินพระองค์ก็เดินช่วยช่วยช่วยเขาได้เพราะเหาะพระองค์ก็เหาะช่วยเรียกว่า เพราะหายตัวหรือเพราะต้องแสดงฤทธิ์ช่วยเขาได้พราะนิ่งพระองค์ก็นิ่งช่วยเขาได้เพราะพูดพระองค์ก็พูดช่วยเขาได้เพราะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์ก็ทำบัดพระองค์อยู่ด้วยกรุณาหวังที่จะช่วยเขาที่ประสงค์จะช่วยเขาช่วยให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์และความสุขประโยชน์เหล่าใดที่เขาควรได้รับพระองค์จึงเป็นผู้ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง สาถาเทวมนุษสาหนังาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือผู้ที่สามารถให้ประโยชน์ให้ความสุขให้ความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยนะพันของพวกเราทั้งหลายเราสังเกตดูเราได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ช่วยให้เราพ้นทุกข์อะไรบ้างพระองค์ช่วยให้เรามีความสุขอะไรบ้างถ้าตอบตรงนี้ได้ประกาศเลยว่าเราเจริญในาศาสนาของพระองค์ เท่าไหร่คนที่มีความคิดว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้และพระพุทธเจ้านั้น่ะช่วยเราได้จริงๆคนอย่างนี้จะมีสารณะที่มั่นคงมีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวเพราะได้รับประโยชน์จากพระองค์คนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระองค์จะไม่นับถือพระองค์อย่างน้อยที่สุดก็สบายใจเมื่อนึกถึงพระองค์ประโยชน์ที่เห็นเห็นกันเลยก็คือความ สบายใจสติปัญญาศรัท ธ, ธาวิริยะคุณธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบาปอากุศลธรรมเหล่าใดที่ยังไม่ละก็ถูกละถูกกำจัดออกไปยิ่งได้รับประโยชน์จากพระองค์เท่าใดใจของเราก็จะนับถือพระองค์เท่านั้นบางคนก็พูดเน็บแนมบอกว่าเพราะเห็นแก่ประโยชน์จึงนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์เป็นคนที่บอกเองว่าผู้ที่หวังประโยชน์ตน จริงๆแล้วประโยชน์ตนที่สูงสุดจริงๆคืออรหัตตผลในศาสนานี้ประโยชน์ตนที่สูงสุดจริงๆคืออรหัตตผลนั้นพระองค์เนี่ยช่วยให้เราได้รับประโยชน์ตนได้จริงๆคือพระอรหันต์เนี่ยนะแต่พระองค์จะช่วยเราไปตามลำดับเพราะธรรมวินัยของพระองค์นั้นมีการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับเนี่ยน ะ, ะพระองค์เนี่ยบริสุทธ์กายวาจาบริสุทธิ์ทั้งข้อปฏิบัติบริสุทธิ์ในวิถีชีวิต มีกรุณากว้างขวางหาที่สุดไม่ได้และก็เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนะมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นไม่มีอะไรขวางกัน้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาที่เรียกว่าอนนาวารณะเนี่ยนะไม่มีอะไรขวางกัน้นมีสัพพัญยุตยานรอบรู้สรรพสิ่งโดยที่ไม่มีอะไรขวางกัน้นที่เรียกว่าอนนาวารณะเนี่ยนะไม่มีอะไรขวางกั้นเลยหมดจดประเสริฐจริงๆ รู้เห็นทุกอย่างตามเป็นจริงตามสัจจคความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นสิ่งนั้นสะท้อนออกมากี่ด้านกี่แง่กี่มุมพระองค์มองเห็นความจริงเหล่านั้นทั้งมวลความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสังคตะหรืออสังคตะ ความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นพระองค์เห็นหมดเลยพระองค์เห็นหมดว่าอะไรเจริญอะไรเสื่อมอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นนรกอะไรเป็นทางไปสู่นรกอะไรเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอะไรเป็นทางเป็นวิธีการดําเนินไปสู่นรกเดรัจฉานอะไรเป็นมนุษย์เป็นข้อปฏิบัติให้ไปเกิดในมนุษย์อะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่สวรรค์อะไรเป็นมรรคผลนิพพานและปฏิบัติอย่างไรจึงจะ ปรสรมัตผลนิพพานพระองค์ไม่สงสยัยไม่เครือบแคลงเลยเนี่ยนะเป็นผู้ชํานาญในทุกเรื่องจริงๆไปเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญชํานาญในทุกเรื่องอะนะโดยเฉพาะชํานาญในปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่เสื่อมมีปัญญาที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญไม่มีความหม่นหมองปกติเนี่ยนะดึกๆไปแล้วในะสัตว์ทั้งหลายจะงงเงียใช่ไหมปัญญาไม่ดี แต่พระองค์นี่ดึกนี so, ่พระองค์ตอบปัญหาเทวดาได้นั่งคุยกับเทวดาเกือบทั้งคืนในงนั้นนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาปัญหาอย่างบางทีเทวดามันรู้ไปคิดมาจากไหนไม่ทราบมาถามพระคก็ตอบได้หมดนะนะใครที่อ่านเทวตาสังยุตเนี่ยนะพรหมสังยุตมารสังยุตเป็นต้นเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ได้ตอบปัญหาเทวดาเนี่ยนะแล้วปัญหาแต่ละข้อเนี่ยนะโอ้ยแค่อ่านตามท่านเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านเขาถามอะไรแล้วก็ตอบอะไรเลยนะบางทีเอ้เขาถามอะไร แล้วเขาตอบอะไรเเขาบรรลุอะไรไปแล้วเนี่ยนะเขมาถามปั๊บจบเพระพระองค์ตอบตอบแล้วก็บรรลุไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาถามอะไรแล้วพระองค์ตอบอะไรเขาบรรลุอะไรบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยนะคือคือเก่งจริงๆอะนะว่าพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีปัญญามากแต่ว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อเรียกว่าเล่เล่กลหรือเล่เหลี่ยมคือโดยมากเนี่ยนะคนที่มีปัญญาเนี่ยเป็นไรโดยมากเห็นแก่ตัวใช่ไหม แต่ของพระองค์เนี่ยกลับตรงกันข้ามมีปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่ได้เพื่อตัวพระองค์เลยเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเรศของโลกเนี่ยนะบาปก็คือสิ่งที่เรียกว่าชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยความเลวร้ายเหล่าใดที่มีอยู่ในตัวพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ชนะตัวเองมางี้นเนยเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและกิเลส ฆ่าตัวนั้นเนี่ยนะครคุณธรรมที่เป็นเหตุฆ่าบาปคืออะไรศีลเป็นเหตุฆ่าบาปสมาธิก็เป็นเหตุฆ่าบาปปัญญาก็เป็นเหตุฆ่าบาปอริยมรรคโสดาปฏิมรคฆ่าบาปสกทาคามิมรคก็เป็นตัวฆ่าบาปอนาคามิมรคอรหัตมรคก็เป็นตัวฆ่าบาปปัญญาทั้งปวงก็เป็นตัวฆ่าบาปอุปกิเล์คือเครื่องเครื่องเศร้าหมองทุกชนิด ก็แปลว่าพระองค์เนี่ยไม่มีบาปไม่มีอกุศลอยู่ในใจเลย น, นะไม่เหลือความเลวร้ายกลิ่นอายแห่งความชั่วไม่มีเลยอีกในหนึ่งท่านบอกว่าพระองค์ไม่มีทุจริตทางความคิดความคิดชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีสําหรับพระองค์คําผู้ที่ชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งทุสว่าขาอทุขาโตเนี่ยนะไม่มีมีแต่สว่าขาโต น, นะสุขาโตก็คือผู้ดีมากเลยนะ ไม่มีว่าแม้พูดชั่วแม้ขอโทษนะพูดพลังพูดพลาดพูดเผลอพูดแม้อะไรเลอะเลือนอะไรไม่มีเพราะอไรเพราะไม่มีคาความคิดที่ชั่วร้ายนิดเดียวก็ไม่มีคำพูดที่ชั่วร้ายเลวร้ายนิดเดียวก็ไม่มีไม่มีโทษเหล่าใดที่ควรตาหนิทางกายวาจาใจของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่วันเดียวนะตลอดระยะเวลานับตั้งแต่บอกว่าพยามานเนี่ยนะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันออกบวช จนตรัสหลังตรัสรู้อีกหนึ่งปีเจ็ดปีเต็มเนี่ยนะตามดูทุกความคิดเลยแต่ว่าไม่ได้ดูเพื่อเจริญพุทธานุสตินะดูเพื่อเพ่งโทษดูหาเรื่องไม่มีเรื่องให้หานะไม่มีเจอก็บอกว่าตามหาเรื่องพระพุทธเจ้าเหมือนกาตัวหนึ่งเหมือนว่ากาตัวหนึ่งเนี่ยนะบินไปที่ภูเขาหินภูเขาหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนมันข้น อีกาเนี่ยชอบกินพวกมันข้นพวกอะไรเนี่ยนะแม้น่าจะอร่อยมากเห็นภูเขาหินนี่มีสีเหมือนมันข้นก็เลยจิกเข้าไปจิกทุกด้านเนี่ยนะมันต้องมันข้นแน่นอนอ่ะมันใช่มันน่าจะมันน่าจะจิกเข้านะจะกินมันข้นอ่ะบินวนรอบยังไงก็จิกไปทั่วไปหมดก็ไม่ประสบความสําเร็จฉันใดมารก็เหมือนกันนะตามรังความพระพุทธเจ้าหก เจ็ดปีเต็มก็ไม่พบความชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะพระองค์กำจัดความชั่วร้ายทางกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผู้ที่ศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะ ในตอนต้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะนั้นแต่ศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้นับถือท่านใจของเราจะได้มั่นคงในท่านคนที่ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าพยายามยกตนเทียมพระพุทธเจ้าพวกนี้จะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคนจะไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่คนที่เป็นเนี่ยนะคนที่ฉลาดเนะี่ยเขาศึกษาเพื่อเขาจะได้เจริญศรัทธา ศึกษาเพื่อจะได้เจริญสัมปชัญญะเจริญสติเจริญคุณธรรมจากพระพุทธเจ้าอาศัยคุณธรรมจากพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามว่าตามฟังว่าพระองค์แนะนําอะไรพระองค์บอกอะไรเราเพราะคนที่ศึกษาพระธรรมที่บริบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์จริงๆเช่นกับพระนนท์ก็ฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อพระนนไม่เคยอิ่มเบื่อหน่ายในการฟังพระสารีบุตรขออุปถากพระพุทธเจ้านะแต่พระองค์ไม่ให้อุปถาเพราะอะไร เพราะทิศใดที่ภาษารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เหมือนกับพระองค์อยู่เพราะภาษารีบุตรสามารถแสดงทำตามพระองค์แต่ใจจริงของภาษารีบุตรคืออะไรต้องการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าต้องการจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยากจะติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เรียกว่าให้แต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ปีติฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจฟังธรรมเมื่อไหร่ก็สบายใจเนี่ยแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายไม่อิ่มในการฟังธรรม